พวกเราที่เข้ามาหาพระพุทธศาสนากันก็เป็นเพราะว่าพวกเรานี้เป็นคนไข้เป็นคนไข้าทางจิตใจมีโรคทางจิตใจคือโรคของความทุกข์ใจที่มีพระพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวที่จะสามารถ รักษาให้หายขาดได้ศาสนาอื่นแม้จะมีมากมายหลายศาสนาหลายลัทธิด้วยกันก็ตามแต่ไม่มีศาสนาใดลัทธิใดคำสอนใดที่จะสามารถรักษาใจให้หายจากความทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดได้อย่างถาวร พิสาศาสนาพุทธศาสนาเพียงศาสนาเดียวเท่านั้นที่สามารถที่จะรักษาโรคของความทุกข์ใจให้หายขาดได้อย่างถาวรตอนที่พระพุทธเจ้าใกล้จะเสด็จปรลนิพานจลาอ่าพราชวรกาย ไปนั้นมีชายคนหนึ่งอยากจะเข้ากราบถามปัญหากับพระพุทธเจ้าแต่พระอานนุ์ได้ห้ามมาไว้เพราะทรงเห็นว่าพระอาการของพระพุทธเจ้านั้นกาลังหนักมากไม่ควรที่จะให้ใครเข้าไปรบกวนแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงได้ยินขึ้น ก็สรงตัดบอกพระอ น, นุ์ไปว่าปล่อยให้เขาเข้ามาพอเขาได้เข้าไปกราบพระพุทธเจ้าก็ได้กราบทูลถามว่าเขานี่รู้จักรัธิคำสอนรู้จักศาสนามาหลากหลายด้วยกันแต่เขาไม่รู้ว่าจะเลือกศาสนาใดรัธิคำสอนใดให้เป็นคำสอน ที่จะนำให้เขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะพพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าคำสอนใดเข้าตามถ้ามีมรรคที่มีองค์แปดอยู่คำสอนนั้นเป็นคำสอนที่ถูกต้องเป็นคำสอนที่จะนำพาให้ผู้ปฏิบัติได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ มักที่มีองแปดนี้มีอะไรบ้างก็คือ 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. สัมมาสังกะปะความดำริชอบ 3. สัมมากมัรมโตการกระทำชอบ 4. สัมมาวาจาการพูดชอบ 5. สัมมาอาชิโมอาชีพชอบ 6. สัมมาวาจาโมความเพียงชอบเจ็ดสัมมาสติการละลึกรู้ชอบแปดสัมมาสติความตั้งมั่นของจิตใจชอบนี่คือมรรคหรือคำสอนที่มีแปดข้อใหญ่ๆด้วยกัน ถ้าศาสนาใดลัทธิใดคำสอนใดไม่มีคำสอนทั้งแปดข้อนี้อยู่ก็จะไม่สามารถนำผู้ที่ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จะไม่สามารถรักษาโรคใจให้หายขาดได้ต้องมีครบทั้งแปดองค์ด้วยกัน แล้วก็มีอยู่แล้วในพระพุทธศาสนานี่เองแต่พระองค์กลับไม่ได้ตอบไปแบบนั้นกลับไม่ได้พูดไปว่าก็พระพุทธศาสนานี่แหละเป็นศาสนาที่ถูกต้องที่จะรักษาโลกใจของสัตว์โลกทั้งหลายให้หายขาดได้อย่างทาวอนเพราะไม่ทรงผูกเป็นเจ้าของ ายารักษาโรคขนาดนี้ใครก็ตามศาสนาใดก็ตามลัทธิใดก็ตามคำสอนของผู้ใดก็ตามถ้ามีมรรคที่มีองค์แปดนี้อยู่ครบถ้วนแล้วแล้ ว, ลวก็ก็จะสามารถที่จะรักษาโรคใจคือความทุกข์ใจให้หมดไปได้ พวกเราพุทธศาสนิะชนจึงถือว่ามีโชคมีวาสนามากที่ได้มาเกิดในพุทธศาสนาที่มีมรรคที่มีองค์แปดที่จะสามารถสอนให้พวกเราปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้เราไม่ต้องเสียเวลา ไขว่คว้าค้นหาคำสอนห า, าศาสนาเหมือนกับผู้ที่เกิดในาศาสนาอื่นในลัทธิในคำสอนอื่นที่ต้องตะเกียกตะกายแหวกว่ายออกจากคำสอนที่ไม่ถูกเหล่านั้นแล้วฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้มาปฏิบัติตามคำสอน ของพระพุทธศาสนาอย่างเช่นชาวต่างประเทศต่างๆที่เกิดในศาสนาอื่นอยู่ในต่างประเทศแต่หลังจากที่ได้ศึกษาได้ร่ำเรียนค้นคว้าคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เห็นว่าเป็นคําสอนที่จะพาให้เขา ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้หายจากโรคของใจได้เขาจึงอุตสาห์ข้ามน้ำข้ามทะเลมาเพื่อมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ศึกษาและปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ศึกษาและปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายแล้ว มาศึกษากับท่านเหล่านี้มาอยู่แบบหยวใจขาดแคลนยอมสละความสุขที่เขามีอยู่เขาอยู่ในประเทศที่เจริญทางด้านวัตถุมากกว่าประเทศของเราแต่เขาเห็นว่าความเจริญทางวัตถุนั้น ไม่สามารถที่จะรักษาโรคใจของเขาได้ไม่สามารถดับความทุกข์ภายในใจของเขาได้เขาจึงยอมที่จะสละความสุขความสบายทางด้านวัตถุทางด้านร่างกายแล้วยอมมาอยู่แบบอดอยากขาดแคลนเพื่อที่จะได้ ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้รักษาใจให้หมดให้หายจากโรคของใจคือโรคของความทุกข์ใจนี่คือความสำคัญหรือความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ที่สามารถดึงดูดจิตใจของมนุษย์ทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัยให้เข้ามาสู่พระพุทธศาสนาได้เหมือนกับโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆสามารถดึงดูดผู้ที่ ป่วยผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจากประเทศต่างๆจากสถานที่ต่างๆมารักษาเพราะว่าทุกคนที่มีโรคภัยไข้ขเจ็บนั้นก็ปรารถนาที่จกจะรักษาให้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆของตนนั้นหมดไป เพราะไม่มีใครอยากจะอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยแันใดผู้ที่เข้าหาพระพุทธศาสนาเพื่อที่จะศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีความปรารถนาเช่นเดียวกันคือมีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์อยากจะ รักษาให้ใจนี้ไม่มีความทุกข์ให้โรคภัยไข้เจ็บของใจนี้หมดไปเพราะว่าราบใดที่ยังมีโรคภัยไข้เจ็บทางจิตใจอยู่ต่อให้มีความสุขความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญ ส, สุขมากน้อยเพียงไรก็ตามความเจริญทางด้านลาบยศสารเสริญ ส, สุขก็จะไม่สามารถ ที่จะมารักษาโรคของความทุกข์ใจได้ไม่สามารถทำให้ความทุกข์ใจหมดไปได้มีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีมรรคเป็นองค์แปดนี้เท่านั้นที่จะสามารถนำพาผู้ปฏิบัติให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ดังนั้นพุทธศาสนิกชนถ้าอยากจะเรียกตัวเองว่าพุทธศาสนิกชนก็ต้องศึกษามรรคแปดให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เพื่อจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องถ้าเป็นชาวพุทธแล้วไม่รู้ว่ามรรคแปดเป็นอะไร อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพุทธปลอมเป็นพุทธในทะเบียนบ้านเป็นพุทธที่ไม่ใช่พุทธแท้พุทธแท้ต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติอะไรกันนี่คือเรื่องของพวกเราที่มาได้มาเกิดในพระพุทธศาสนาเราจะเป็นพวกทัพพีในหม้อกแกง หรือพวกวิ่นกับแกรงรู้รู้ไหมว่าแกงที่เราสัมผัสอยู่นี้เป็นแกงอะไรเป็นแกงเผ็ดเป็นแกงจืดหรือเป็นแกงส้มเป็นแกงชนิดใดถ้าเป็นทัพพีพวกเราก็จะไม่รู้จักว่าแกงที่ทัพพีได้สัมผัสนั้นเป็นแกงอะไร แต่ถ้าเป็นลิ้นก็จะรู้ทันทีเวลาที่ได้สัมผัสกับรถของแกงจะรู้ว่าเป็นรถอะไรพวกที่เป็นทัพ ป, ปีในหม้ อ, อกแกงก็เป็นพวกที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรกันพวกที่เป็นลิ้นกับแกงก็เป็นพวกที่รู้ จากคําสอนของพระพุทธเจ้ารู้จักมากที่มีองค์แปดและพยายามปฏิบัติตามคําสอนอย่างขมขมแม่นอย่างอย่างกล้าหาญอย่างอดทนอย่างเข้มแข็งไม่ย่อท้อไม่หยุดไม่ถดไม่ถอยอยาพยายามปฏิบัติไป จนกว่าจะรักษาโรคของใจให้หายหมดไปนี่แหละคือหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนผู้ที่ได้มาเกิดในพวกพุทธศาสนาถ้าไม่สนใจที่จะศึกษาไม่รู้ว่ามรรคแปดคืออะไรไม่รู้ว่าตนเองจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างผู้นั้นก็ จะไม่ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็ <c oughs> จะเป็นเหมือนทั พ, พีในหม้อแกงที่จะไม่รู้รสชาติของแกง <c oughs> แต่ผู้ที่สนใจที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเข้าใจอย่างท่องแท้ในเรื่องของมัรแปดแล้วแล้วยามปฏิบัติตาม มรรคแปดนี้ไปไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้รักษาโรคใจให้หายขาดได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะศึกษาก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี้เองเพื่อที่เราจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องมรรคที่องค์แปดข้อที่หนึ่งนี้ก็คือสมมาทิฏฐิ ความเห็นชอบความเห็นชอบนี้เรียกว่าเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นชอบเห็นอย่างถูกต้องก็เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงผลของบุญคือสวรรค์มีจริงผลของบาปคือนรกมีจริงกรรมมีจริงการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริง ตายแล้วไม่สูญตายแล้วถ้ายังไม่ได้ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็ยังจะต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่อีกถ้าชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานก็เป็นของจริง และการที่จะบรรลุมรคนี่ผ่านได้ก็ต้องมีสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดก็คือต้องมีความเห็นในอริยสัจสี่ต้องเห็นทุกขสมุทัยนิโรธมาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือสัมมาทิฏฐิที่พวกเราหรือผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า จะต้องพยายามสอนตนเองให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้ได้ถ้ายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตนเองก็ต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อเป็นผู้นําทางไปก่อนเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นแล้วได้นําเอาสิ่งที่ได้ทรงรู้ทรงเห็นนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ ยังไม่รู้ยังไม่เห็นเพราะยังเป็นคนมืดบอดอยู่เหมือนกับคนตาบอดที่จําเป็นจะต้องเชื่อคนตาดีเวลาคนตบกคนตาบอดจะเดินทางไปไหนมาไหนต้องมีคนตาดีนําทางไปฉันใดพวกเราก็เป็นเหมือนคนตาบอดที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ จึงจำเป็นจะต้องอาศัยสัมาทิฐิของคนตาดีคือของพระพุทธเจ้าไปก่อนดังนั้นเราจึงต้องเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องเนรกเรื่องสวรรค์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเรื่องการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดคือเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของอริยสัจ ส, สเรื่องของไตรัก อนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเพราะเป็นความเห็นที่ตรงกับความจริงนั่นเองคำว่าถูกต้องก็คือตรงกับความจริงไม่ใช่เป็นของปอมอย่างที่มีคนเห็นกันว่านารกไม่มีสวรรค์ไม่มีทำบุญแล้วไม่มีผลตามมาทำบาปแล้วไม่มีผลตามมา ตายแล้วศูนย์ไม่มีการไปเกิดใหม่ไม่มีมรรคผล น, ผนิพพานไม่รู้จักคำว่าอาริยาาสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากไม่รู้จักคำว่าตายนักอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือพวกมิจฉาทิฏฐิผู้เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัว เห็นตรงข้ามกับความจริงเมื่อมีความเห็นตรงข้ามก็จะประพฤติผิดไปคิดผิดพูดผิดทำผิดไปแล้วก็ต้องรับผลผิดตามมาคือแทนที่จะทำบุญก็ทำบาปแทนที่จะชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ก็กลับทำให้ใจสปกปรกเพิ่มขึ้นไปด้วยการ ทาตามความโลภความโกรธความหลงนี่คือสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิพวกเราโชคดีมีวาสนาได้มาเจอพระพุทธศาสนาที่สอนเรื่องของสัมมาทิฏฐิดังนั้นสิ่งที่เราในฐานะของคนที่ยังไม่มีสัมมาทิฏฐิ ก็ต้องอาศัยต้องเชื่อคำสอนของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิแล้วคือพระพุทธเจา้าพระอาหารหันตสาบุกทั้งหลายท่านเหล่านั้นท่านได้รักษาโรคใจของท่านให้หายไปหมดแล้วท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านได้บรรลุถึงมรรคผลที่ผ่านแล้วถ้าพวกเราอยากจะได้ผลอย่างท่านพวกเราก็ต้อง เชื่อสิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านรู้สิ่งที่ท่านเห็นดังนั้นเราต้องเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องผลของบุญคือสวรรค์เรื่องผลของบาปคือนรกหรืออบายขั้นต่างๆเชื่อในเรื่องของการที่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆตราบใดถ้ายังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน ถ้ายังไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ายังไม่เห็นอริยาาสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมาพอเรามีความเชื่อแล้วความคิดของเราก็จะไปตามความเชื่อนั้นตามความเห็นนั้นถ้าเราเชื่อว่ามีบุญบุญเป็นผลดีเราก็จะหมั่นทําบุญไปถ้าเราเชื่อว่าบาปนี้เป็นของไม่ดี เราก็จะพยายามละกันถ้าเราเชื่อว่าการชำระใจของเราให้สะอาด่อยสุดด้วยการบําเพ็ญจิตตภาวนาสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเราก็จะพยายามบําเพ็ญจิตตภาวนากันเตกวิเวกันหาสถานที่สงบสงดัดเพื่อจะเล่น ทำที่จะทําให้จิตใจสงบทําให้จิตใจเห็นมีความรู้แจ้งเห็นจริงมีสัมมาทิฏฐิอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงมีกันนี่ก็จะเป็นความคิดของเราเราก็จะคิดมีสัมมากรรมโตคือจะมีการกระทำที่ถูกต้องคือการไม่ทําบาสนั่นเองสัมมากรรมโตก็คืออะไรก็คือการไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดภระเวณีอันนี้ก็เป็นเรื่องของสัมมากรรมโตการกระทำที่ถูกต้องถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกัปโปะความเห็นชอบความดำริอชอบความเห็นที่ถูกต้องความดำริที่ถูกต้องเราก็จะมีสัมมากรัมโตการกระทำที่ถูกต้องตามมา เราก็จะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดตัวเวนีแล้วเราก็จะมีสัมมาวาจาการกระทำชอบเมื่อกี้ก็ลืมเรื่องการเสพชุรายามาไปอีกข้อหนึ่งเป็นในสัมมากรรมันโตเราก็จะไม่เสพชุรายาเมาหรือสิ่งเสพติดทั้งหลายหรือเล่นการพนันเที่ยวกลางคืนเป็นต้น อบายามุกทั้งหลายเราก็จะไม่กระทำส่วนสัมมาวาจาคือการพูดที่ถูกต้องเราก็จะพูดความจริงคือเราจะไม่พูดปดเราจะไม่พูดคําหยาบเราจะไม่พูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระไม่เกิดคุณเกิดประโยชน์เราจะไม่เราจะไม่พูดส่อเสียด คาว่าส่อเสียนี้แปลว่าการพูดยุยงเพื่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีอย่างที่กําลังเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราในตอนนี้ต่างฝ่ายต่างพูดยุยงให้เกิดความโกรธความเกลียดกันพยายามฆ่ากันพยายามทําให้บ้านเมืองแตกแยกกันอันนี้เราไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดเราว่าการกระทํานี้ไม่ใช่เป็น สัมมาวาจาการที่ขึ้นไปพูดให้เกิดความแตกแยกสามคัคคีทั้งๆ ท, ที่ผู้ปกครองของบ้านเมืองเราก็คอยบอกอยู่เรื่อยๆว่าให้รู้รักสามัคคีกันแต่คำพูดของท่านก็ไม่เคยเข้าไปอยู่ในหัวใจเลยมีแต่การสแสวงหาผลประโยชน์ของตนเองเป็นใหญ่ ไม่คอคำหนึ่งถึงบ้านเมืองว่าจะวุ่นวายจะเดือดร้อนจะพินาศไปขอให้ตนได้ผลประโยชน์ของตนเท่านั้นจะมีการพูดที่ไม่ควรที่จะพูดกันพูดให้เกิดความแตกแยกสามาคัคคีแทนที่จะพูดประสานให้เกิดความสามาคัคคีให้มีการ อารมุณ์อโวยกันให้มีการประสานกันเพื่อรักษาบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบมีความเห็นไม่ตรงกันอย่างไรก็ใช้สันติวิธีคุยกันไปคุยด้วยเหตุด้วยผลถ้าทุกคนมีเหตุมีผลมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าไม่มีเหตุไม่มีผลมันก็ มันก็จะต้องเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นอย่างนี้เพราะไม่มีใครมีธรรมะมีแต่อาธรรมมีแต่ความอยากที่เอาชนะกันเป็นที่ตั้งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่สองฝ่ายที่ต่อสู้กันจะได้ใช้ชนะกันทั้งสองฝ่ายต้องมีฝ่ายหนึ่งแพ้ฝ่ายหนึ่งชนะทางที่ดีก็ถอยกันคนละก้าว ยอมแพ้กันบ้านเมืองก็จะได้สงบมานั่งสมาธิทําใจให้สงบกันก่อนแล้วพอใจสงบแล้วค่อยมาคุยกันว่าอะไรสําคัญกว่าการได้ผลประโยชน์กับการอยู่อย่างสันติอันไหนจะมีประโยชน์กว่ากันได้ผลประโยชน์แล้วแต่กับมีความรุ่มร้อนกับมีการอาฆาตพยาบาท จองเวรจองกรรมกับการที่เสียผลประโยชน์แต่ได้รับความสงบอย่างไหนจะดีกว่ากันทางพระพุทธศาสนาก็สอนอยู่เรื่อยๆว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมานแต่ไม่มีใครคิดถึงคำสอนนี้เลยคิดแต่ว่าจะเอาชนะฉันถูกเราถูกอย่างเดียว แม้แต่ในสมัยพระพุทธการก็มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นระหว่างพระภิกษุด้วยกันเกิดการทะเละวิวาทเป็นสองฝ่ายแต่และฝ่ายก็ว่าตนเองถูกไม่มีใครยอมใครพระพุทธเจ้าทรงมาตัดสอนให้ทุกคนหยุดให้ทุกคนยอมกันเข้าหากันก็ไม่มีใครยอมกันจน ทำให้พระองค์ต้องเสด็จออกไปประทับอยู่ตาม น, นำพัน์อยู่กับช้างอยู่กับลิงพอชาวบ้านทราบข่าวขึ้นมาก็สงสัยอยากจะรู้ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ส่งสายมาสืบก็ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงห้ามพระไม่ให้ทะเละวิวาทกันก็ไม่เชื่อพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็เลยต้องในประเทศตนเองให้ไปอยู่ตามลำพังพอชาวบ้านทราบว่าพระไม่มีความเคารพในพระบร ม, มศาสดาชาวบ้านก็หมดศรัทธาไม่ยอมใส่บาตรให้พอพระไปบินตะานแล้วไม่ได้อาหารกลับมาก็เริ่มสํา น, นึกผิดขึ้นมา ว่าตนเองนั้นทำผิดกันที่ไม่ยอมเชื่อฟังพระบร ม, มศาสดาจึงต้องกลับไปขอกลับมาจากพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้กลับมาประทับเป็นประธานเป็นพระศาสดาต่อไปชาวบ้านถึงยอมใส่บาตรทห้เหมือนเดิม นี่คือเรื่องของสัมมาวาจาคือการพูดควรจะพูดในสิ่งที่มีคนมีประโยชน์เช่นอยับไม่ให้พูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้าสาระนี้ก็หมายถึงให้พูดเรื่องที่มีสาระเรื่องที่มีคนมีประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่าเรื่องที่ควรจะพูดนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันที่อยู่ใน ในธรรมะข้อหนึ่งจำไม่จาชื่อไม่ได้ที่เวลาผู้ปฏิบัติหรือชาวพุทธควรจะคุยกันควรจะสนทนาคำกันเพราะจะเป็นหัวข้อที่มีคุณในประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมต่อการหุดทนจากความทุกข์ทั้งหลาย ทำที่ควรจะพูดเรื่องที่ควรจะพูดเื่อมีคือหนึ่งถ้าจําไม่ครบสิบก็ช่วยไม่ได้นะหนึ่งก็คือความมักน้อยไม่ให้มักมากไม่ให้โลภมากให้ต้องการไม่น้อยต้องการเท่าที่จําเป็นพอต่อความดํารงชีพได้ก็พอแล้วเช่นเสื้อผ้าเอาสักสองสามชุดก็พอ อาหารเอาวันละมื้ก็พอนี่เรียกว่าความมาักน้อยข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือสันโดษถ้าไม่สามารถได้ตามความจำเป็นได้น้อยกว่าก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดเช่นถ้าไม่มีเสื้อผ้าสามชุดได้เพียงชุดเดียวก็ให้พอใจกับชุดเดียวอยู่กับมันไปก่อนจนกว่าจะหาได้ใหม่ ถ้ายังหาไม่ได้ก็ไม่ไปทุกข์กับมันให้พอใจกับสิ่งที่ได้เรียกว่ายินดีตามมีตามเกิดแปลว่าสันโดษถ้ากินอาหารวันละมื้อไม่ได้ต้องกินวันเว้นวันก็กินวันเว้นวันไปก่อนถ้าต้องตายก็ให้ตายกับความสันโดษนี้ดีกว่าตายกับความโลภมากดีกว่าการ อยู่แบบทำบาป ท, ทำกรรมเพื่อให้ชีวิตได้ดำรงชีวิตอยู่เช่นต้องไปลักขโมยเพื่อไปเอาอาหารมารับประทานอย่างนี้ถ้าต้องทำอย่างนี้สู้ยอมอดตายดีกว่านี่คือเรื่องของสันโดษข้อที่สามก็ให้พูดถึงกับเรื่องของการปีกวิเวกหาที่สงบสงัด ห่างไกลจากแสงสีเสียงห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสปฎปะที่จะทําให้เกิดกิเลสตัณหาคือการมาฉันทะขึ้นมาเพราะถ้าเกิดกิเลสขึ้นมาแล้วก็จะพาให้ใจต้องไปวุ่นวายกับการแสวงหาสิ่งที่เป็นอันตรายเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ เพราะรูปสเสียงกินนรพุทธภะนี้ก็คือยาเสพติดดีๆนีเ่เมื่อเสพแล้วก็จะติดเวลาไม่เสพก็จะทุกข์ทรมานใจยังต้องพยายามอยู่ห่างไกลเพื่อจะได้ไม่มารบกวนใจเพราะว่าสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์แก่จิตใจก็คือความสงบใจจะสงบได้ก็ต้อง อยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสปวดกัะพาะจึงต้องมีอินรียสังวรคือการสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายนี่ก็คือการปีกวเว่ยนี่เองปีกวเว่ยเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสปวดกัะพาะที่จะทําให้เกิดการอารมขึ้นมาเกิดความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสขึ้นมา แล้วพออยากแล้วก็ต้องดิ้นโดนไปเสกเศกแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอก็จะต้องดิ้นโดนหาเศกไปเรื่อยๆก็จะไม่มีโอกาสที่จะมาทําใจให้สงบได้ดังนั้นต้องเวลาคุยกันได้คุยเรื่องปลีกวิเวกกันชวนกันไปปลีกวิเวกไม่ใช่ชวนกันไปที่โรงหนังโรงละครไปตามสถานช้อปปิ้งต่างๆ ตอนนี้มีลดราคากระหน่ำกันทั่วบ้านทั่วเมืองรีบไปกันนะเดี๋ยวจะไม่ทันไปเหยียบกันตายในที่เขาดลดราคากันนั่นแหละไปแย่งกันไปแย่งกันเสียเงินแล้วก็เจ็บเนื้อเจ็บตัวบางคนก็ถูกจับเข้าขังไปขังในคุกในตลาดเพราะไปทำร้ายผู้ อันนี้ก็เรียกว่าการมาฉันทะคือความม า, มากมากอยากได้มากๆอยากได้ของถูกๆแย่งกันอันนี้เราอย่าไปทําอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรได้มาแล้วไม่ไม่ได้มีความสงบความทุกข์ไม่หายไปการทุกข์จะมีเพิ่มมากขึ้นเพราะอยากจะได้มากเพิ่มขึ้นไปอีก ดังนั้นเราต้องพยายามคุยเรื่องปีกวิเวกว่าที่นั่นดีที่นั่นสงบไปแล้วันั่งสมาธิจิตสงบได้อย่างง่ายดายอย่างรวดเร็วคุยกันเรื่องราวเหล่านี้จะได้ชวนกันไปหาที่สงบกันข้อที่สี่ก็คือไม่ให้ครุกคลีกันเมื่อไปอยู่ในที่สงบแล้วต่างคนต่างอยู่กันอย่ามาจับข่าวคุยกันคุยเรื่อง าทางโลกกันเรื่องบ้านเมืองขณานี้เรื่องการดลดราคาของสินค้าอะไรต่างๆอยากคุยถ้าจะเป็นถ้าจะคุยก็คุยเรื่องธรรมะกันเช่นครูบาอาจารย์ก็จะเรียกประชุมกันเป็นระยะระยะทุกสี่ห้าวันหกเจ็ดวันก็จะเรียกมาชุบมาคุยกันครั้งหนึ่งครูอาจารย์ก็จะพูดธรรมะให้ฟังกันอย่างนี้คุกคีแบบนี้ได้ ต้องเป็นกิจจักษณะไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวเล้าเหงาอยากจะพูดอยากจะคุยก็ไปหาคนนั่นหาคนนี้หาของไปกินไปคุยกันไปนั่งจิบน้ำชากาแฟกินข น, นมนมเลยกันก็จะไม่ได้เจริญสติไม่ได้เจริญสมาธิกันดังนั้นเมื่อไปอยู่ในที่สงบสงดวิเวกแล้วก็ต้อง ไม่คุ้ยคลีกันต่างคนต่างอยู่จะมารวมกันก็เมื่อมีกิ จ, จวัตรที่จำเป็นจะต้องทำเช่นพระก็ต้องมารวมกันตอนบินทบาทามาทำกิจร่วมกันปัดกวาดอะไรต่างๆทำความสะอาดแต่พอเสร็จกิจแล้วก็แยกกันไปขณะที่ทำกิจกรรมก็ไม่คุยไม่คุยกันทุกคนมีใจจดจ่ออยู่กับงานของตน มีสติเป็นการเจริญสติการเจริญการที่มีใจจดจ่อกับกิจกรรมของตนนี้เรียกว่าการเจริญสติใจไม่ว่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือถ้าจะคิดก็ใช้พุทโทธหนึ่งเอาไว้เช่นกำลังทำความสะอาด แล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ก็เดิงกลับมาด้วยพุโทโธให้มาอยู่กับการทําความสะอาดนี่คือเวลาที่จําเป็นจะต้องมาคุก ค, คีกัน ม, ม, มีเวลามีเวลาไม่ใช่คุก ค, คีกันทั้งวันทั้งคืนนี่คือข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็ให้พูดถึงเรื่องของความเพียร พูดว่าวันนี้ได้ภาวนากี่ชั่วโมงได้เดินจงกรมกี่ชั่วโมงได้สติมากน้อยเพียงไอได้ความสงบมากน้อยเพียงไรให้พูดถึงความเพียรพูดแล้วก็จะทําให้เกิดกําลังใจที่จะเพียรกันไม่ใช่พูดแต่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องกินโอ้ยวันนี้ขี้เกียจต้เกินไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิเลย พูดอย่างนี้แล้วมันทำให้เกิดความท้อแท้ไม่มีกําลังจิตกําลังใจที่จะปฏิบัติข้อที่หกก็ให้พูดเรื่องศีลว่าตอนนี้ศีลเราบริสุทธิ์กี่ข้อตอนรักษาศีลได้กี่ข้อได้รักษาแล้วเป็นอย่างไรใจสงบไหมใจดีไหมใจสบายหรือไม่ข้อที่เจ็ดก็ให้พูดเรื่องสมาธิ ว่าวันนี้นั่งสมาธิเป็นยังไงจิตสงบหรือไม่สงบแบบไหนสงบแบบร่างกายหายไปเลยหรือสงบแบบร่างกายยังอยู่แต่ใจไม่วุ่นวายไปกับร่างกายร่างกายจะเจ็บตรงนั่นปวดตรงนี้ก็รู้สึกสบายไม่เดือดร้อนหรือนั่งไปรักไปเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นอะไรก็พูดกันได้ ถ้าผู้ที่รู้ก็เห็นว่าอันไหนถูกเห็นไหนผิดก็จะได้ทักกันได้จะได้เตือนกันได้เช่นการนั่งนี้เป้าหมายของการนั่งนี้ไม่ต้องการเห็นเทวดาเห็นนาลกเห็นสวรรค์ต้องการเห็นอุเบกขาเห็นความว่างเห็นใจเห็นสักแต่ว่ารู้เห็นตัวรู้เพราะอันนี้เป็นสัมมาสมาธิถ้าไปเห็นนาลกเห็นสวรรค์ เราลิกชาติได้เห็นอะไรต่างๆนี่เรียกว่าเป็นมิจฉาสมาธิเพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญปัญญาเพราะจะทําให้ใจไม่มีกําลังที่จะต่อสู้กับกิเลสทันหาความโลภความโกรธความหลงมีอุเบกขาท่านั้นที่จะมีกําลังต่อสู้กับกิเลสตันหาความโลภความอยากต่างๆได้ นี่ก็คือเรื่องของสมาธิแล้วก็พูดถึงเรื่องปัญญาปัญญาก็คือว่าเห็นไตรลักษณ์หรือยังเห็นอริยสัจสีหรือยังเห็นธาตุสี่หรือยังเห็นอาการสามสิบสองหรือยังเห็นนาสุภาหรือยังดับการมาลรมได้หรือยังละสักกายทิฏฐิความเห็นผิดได้หรือยังความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา ว่าร่างกายนี้เป็นเพียงดินน้ำลมไฟว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเวลาตายไม่น่าดูเลยเวลาอยู่ถ้ามองเข้าไปข้างในก็มีแต่ของหน้านาเกลียดหน้าขยะขยะอวัยวะต่างๆหรือสิ่งที่เป็นปฏิโกลที่ถูกขับถ่ายออกมาส่งกลิ่นเหม็นนี่คือการเห็นร่างกายเห็นอสุภะ นี่คือเรื่องของปัญญาเห็นแล้วเห็นแล้วดับการอารมณ์ได้หรือเปล่าละสัจกายะทิฏฐิได้หรือเปล่าละวิจิกิจชาได้หรือเปล่าละศีลภัตตปรมาได้หรือเปล่าละกามาราคะได้หรือเปล่าละปฏิฆะได้หรือเปล่านี่คือเรื่องของปัญญาคุยกันคุยเรื่องของปัญญา แล้วก็คุยเรื่องวิมุติการหลุดพน้นหลังจากที่ละกิเลสตัณหาได้แล้วว่าเวลาจิตหลุดพ้นนี้เป็นยังไงสุขสบายอย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือพูดถึงเรื่องญาณทัศน ะ, ะวิมุติญาณทัศน ะ, ะความรู้ความเห็นที่ได้เกิดจากการหลุดพ้นแล้วว่าเป็นอย่างไรนี่คือเรื่องธรรมะที่ ผู้ปฏิบัติหรือพุทธศาสนิกชนควรจะพูดกันเวลามาสนทนากันเวลามาคุยกันอย่าไปคุยเรื่องการบ้านการเมืองอย่าไปคุยเรื่องราบยศสรรเสริญเรื่องของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการว่าแหมไปเที่ยวที่นั่นดีเหลือเกินไปรับประทานอาหารที่ร้านนั้นอร่อยอร่อยเหลือเกินไปงานเลี้ยงของคนนั้นโอ้โหยิ่งใหญ่มี สารพัด ส, สารเพให้ดูให้ฟังให้ดื่มให้รับประทานคอคุยเรื่องราวเหล่านี้มันทําให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมามันไม่ได้ทําให้กิเลสตัณหาหายไปกิเลสตัณหาก็เป็นเหมือนเชื้อโรคดีๆนี่เองถ้ายิ่งเสริมให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาก็ยิ่งทําให้โรคภายใข้เจ็บมันกําเริบเพิ่มมากขึ้นไปนั่นเองนี่คือเรื่องของสามมาวาจา การพูดในสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่าไปพูดเรื่องสิ่งที่ไร้สาระพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องนินทากาเลนินทาคนนั้นคนนี้ว่าดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้พูดไปแล้วเราได้อะไรจากการพูดเราเหล่านี้คนฟังก็ไม่ได้อะไรคนพูดก็ไม่ได้อะไรได้แต่น้ำลาย เมื่อเรามีสัมมาวาจาแล้วเราก็จะมีอีกขั้นต่อไปเราก็จะมีสัมมาอาชีว์มีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ไม่เบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะการไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นมันก็จะกลับมาหาเรานั่นเองไม่ช้าก็เร็วเราอยู่ในตุ่มเดียวกันอยู่ในกรงเดียวกัน เราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนเนึ่งเดี๋ยวความเดือดร้อนมันก็กลับมาหาเราเช่นเราขายสุรายาเมาคนซื้อสุราก็ดื่มแล้วก็ไปขับรถเมาแล้วขับก็ไปชนกันวันดีเกินดีเราออกไปขับรถก็ไปเจอคนเมาเข้าเราก็จะถูกคนเมาขับชนเราได้ดังนั้นอย่าไปทำอาชีพที่มันจะทําให้เกิดโทษแก่ผู้อื่นเช่นค้าสุรายาเมา ค้าสิ่งเสพติค้าสิ่งที่มีชีวิตค้าอาวุธที่เป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้อื่นอาชีพเหล่านี้เราไม่ควรทำเพราะว่าถ้าเราทำคนอื่นเขาก็ทำแล้วันดีคืนดีเราก็เผลออาจจะมาเกิดเป็นเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นวัวเป็นควายให้เขามามาค้าขายชีวิตของเรา นี่ก็เรื่องของสมาอาชีว์ทำอาชีพที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเช่นเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นครูอาชีพที่ไม่ไปทําความเดือดร้อนอาชีพที่เกี่ยวกับการทําประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นก็ปัญญาชีพที่ควรจะทํากัน นี่เรียกว่าสัมมาอาชีว์อาชีพที่ถูกต้องแล้วขั้นต่อมาก็ความเพียรชอบสัมมาวายามโมทุกคนต้องมีความขยันหมั่นเพียรถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถึงจะหายขาดจากโลกใจได้การที่จะหายจากขาดจากโลกใจก็ต้องเพียรอยู่ในสถานที่สี่สถานด้วยกันเกินเพียรสี่ข้อเพียรทำ ความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่มีอยู่แล้วไม่ให้หายไปเพียรละความไม่ดีที่มีอยู่ให้หมดไปเพียรป้องกันไม่ให้ความไม่ดีที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาเช่นละบาปได้แล้วก็อย่าให้มันกลับมาอีกอย่ากลับไปทำบาปอีกทาบุญได้แล้วบ่จากทานได้แล้ว ก็อย่ากลับมาตนหนีอย่ากลับมาโลภถ้านั่งสมาธิได้แล้วก็ต้องรักษาต่อไปต้องปฏิบัติต่อให้ต่อเนื่องไม่ให้ถดถอยแะให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเต็มร้อยถ้าทุกอย่างเต็มร้อยความดีเต็มร้อยมรรคผลที่ผ่านก็จะเต็มร้อยมีเรื่องของความ ความเพียรที่ถูกต้องความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องนีคือเพียรอะไรการทำความดีทำอะไรทีเรียกทาความดีก็คือการเจริญสตินี่เองการเจริญสตินี่แหละเป็นการทำความดีที่สูงสุดเพราะถ้ามีสติแล้วเราจะทำความดีทุกลูปแบบได้ถ้าไม่มีสติแล้วทำไม่ได้เช่นคนเมาเหล้าในี่รักษาศีลไม่ได้ เมาเหล้าแล้วเขามักจะไปทำผิดศีลข้ออื่นไปฆ่าสัตว์ไปรักทรัพย์ไปประพฤติผิดประเวณีไปโกหกหลอกลวงไปพูดจาหยาบคายไปทะเลาะวิวาสไปมีเรื่องมีราวกับผู้อื่นเพราะไม่มีสติผู้ที่มีสติจะสามารถควบคุมการกระทำของตนได้ให้อยู่ในความสงบได้สามารถควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่ในความสงบให้เป็นสมาธิได้ ให้มีสัมมาสมาธิเกิดขึ้นได้ต้องเกิดจากการเพียรเจริญสตินี่คือสัมมาสติก็ต้องเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับพอตื่นขึ้นมาก็ตั้งสติเลยควบคุมใจไว้เลยไม่ให้ลอยไปลอยมาให้อยู่ในปัจจุบันให้อยู่กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นก็คือร่างกายกาลังทาอะไรก็ให้เฝ้าอยู่กับการกระทาของร่างกาย ไม่ให้ไปคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้ถ้าคิดเมื่อไรหร่แสดงว่าไม่อยู่ในปัจจุบันแล้วนอกจากคิดในเรื่องปัจจุบันเรื่องของร่างกายเท่านั้นเช่นร่างกายนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนาตาัตตร่างกายนี้มีอาการสาิบสองร่างกายนี้เกิดแก่เจ็บตายถ้าจะคิดกายคิดอย่างนี้ใจก็จะตั้งอยู่ในความสงบตั้งอยู่ในสมาธิได้ เวลานั่งหลับตาก็ดูลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกใจก็จะรวมเข้าเป็นสมาธิได้เป็นสัมมาสมาธิคือรวมเป็นหนึนง่งเป็นเอกขตารลมมีมีอุเบกขาเป็นที่ตั้งถ้ามีอุเบกขาแล้วเวลามีสมาทิฏฐิก็จะสามารถหยุด ตันหาความอยากได้ถ้าไม่มีสัมมาสมาธิถึงแม้จะรู้ว่าตันหาเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจก็ไม่สามารถละตันหาได้เพราะไม่มีกำลังไม่มีอุเบกขานี่จึงต้องมีสัมมาสมาธิคือต้องมีอุเบกขาจิตรวมเป็นหนึ่งจิตรวมเป็นหนึ่งนี้จะมีพลังที่จะต่อสู้กับตันหาทั้งสามรูปแบบได้ คือการมะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่คือมรรคแที่พุทธศาสนิกชนควรจะศึกษาและควรพยายามปฏิบัติสร้างให้เกิดขึ้นมาให้ได้เพราะนี่แหละคือเหตุที่จะนำพาไปสู่มรรคผลนิพพานพาไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดพาไปสู่การดับของความทุกข์ทั้งหลาย พาไปสู่การรักษาโรคของใจให้หายขาดได้อยู่ที่มรรคแปนี้เองอยู่ที่การปฏิบัติตามมรรคแปปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ปฏิบัติด้วยความปฏิบัติอย่างถูกต้อง ดีก็คือปฏิบัติเต็มร้อยเรี่งกงดีปฏิบัติตรงก็คือไม่ทะเลทลายไปปฏิบัติเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวก็ไปเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องลูกเรื่องสามีเรื่องภรรยาอย่างนี้เรียกว่าไม่ปฏิบัติตรงต้องปฏิบัติแต่เรื่องของเราเรื่องของการเจริญมากแปดนี้เท่านั้น ป, ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นก็คือการปฏิบัตินี้ไม่ต้องไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ได้ลาบยศสรรเสริญ ไม่ได้ปฏิบตัติเพื่อให้คนเขายกย่องนับถือเราว่าเราถือศีลแปดว่าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาได้นั่งวี่นังวันจากการปฏิบตัติเหล่านี้ไม่ใช่ไม่ต้องการผลอะไรจากใครทั้งนั้นต้องการความดับทุกเป็นผลอันที่ตัง้งเท่านั้นแล้วก็ปฏิบัติถูกต้องก็คือปฏิบตัติตามที่พระเจ้าทรงสอนทุกประการไม่ใช่ปฏิบัติกันแบบเอาอย่างนั่นบ้างเอาอย่างนี้บ้าง อย่างนี้ไม่ชอบไม่ปฏิบัติเช่นสมัยนี้ไม่ชอบนั่งสมาธิก็ตัดมันไปเลยไม่ต้องมีสมาธิก็ได้จะเินปัญญาไปเลยอะอย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติไม่ถูกต้องปฏิบัติถูกต้องต้องมีมรรคให้ครบองค์แปดองนี้ครู้จารจะเขียนสมาสมาธิไว้ทำไมจะสอนสมาสมาธิทำไมว่าถ้าเราเลือกไม่ปฏิบัติได้มันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิไม่มีวันที่จ ะ, จะเจริญปัญญาได้ ไม่มีวันที่จะดับกิเล็กปัญหาได้ดังนั้นพวกเราที่เป็นชาวพุทธที่มีโชคมีวาศสนาที่ได้มาเกิดในบรวรของพระุทธศาสนาได้มีมรรค8ปดเป็นคําสอนขอให้พวกเราจงทำตัวให้เป็นลิ้นอย่าทำตัวเป็นทัพพีถ้าตัวเป็นตัวทัพพีก็ไม่รู้เรื่องมรรคแเลยถ้าเป็นลิ้นก็รู้เรื่องของมรรคแและปฏิบัติ ตนให้อยู่ในกรอบของมรรคแปด 8, ตั้งแต่วันนี้ไปแล้วผลอันเดียรเลิศคือมรรคผลผนิพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวะหาปุราปาริปเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดเปาเมวะสัมมิจตุสัพเพเฟเรนตุสังกาปาจันโทปนาอะระโสยธาไมนิโชติอะระโสยธาสัพพิเตโยวิวัจจันตุสัพพารโควินาศตุ มาเตผวะตะวันตารายุสุขีทีขายุโกผวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปัจจายโนจตารธัมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ถ้ามีคําถามทางอินเทอร์เนต็ตก็ถามได้ทางทางอินเทอร์เนต็ตไม่มีครับมีแต่โยงที่ฝากถามมาครับอาจารย์อ่าใช่อ่าก็ถามว่าการการเดินจงกรมให้สติไปอยู่ที่ลมหายใจหรือว่าที่เทา้าครับแล้วแต่ถนัดไงแต่โดยเท่าที่เคยผ่านมาปฏิบัติมาการดูลมมันจยากเพราะว่าลมมันจะละเอียดมาก จับลมไม่ก็ได้ที่เท้ามันชัดกว่ามันง่ายกว่ามันเห็นได้ด้วยตาแต่ถ้าถนัดที่จะจับลมก็จับลมได้จับเท้าก็ได้พุทโธก็ได้แล้วแต่ความถนัดเลกแล้วแต่ความพอใจในขณะนั้นอาจจะเปลี่ยนได้เอาที่เท้าก็ได้เอาที่ลมก็ได้เอาที่พุทโธก็ได้ เอาที่การพิจารณาอาการสาวดุสองก็ได้พิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไฟไปก็ได้อันนี้ได้ทั้งหมดนะแต่ความถนัดเป้าหมายก็คือต้องการควบคุมความคิดเพ้อเจ้อต่างๆไม่ให้มันเกิดขึ้นความคิดที่ไม่ใช่เป็นสัมมาทิฏฐิคิดแปลว่านั่นเป็นของเรานี่เป็นของเรา หวงบ้านห่วงเมืองห่วงสินของห่วงทรัพย์ห่วงสมบัติห่วงอะไรต่างๆเหล่านี้อย่าไปคิดคิดแล้วมันมันมันไม่ตรงกับความจริงความจริงต้องคิดว่าทุกอย่างมันนิจจังทุกขังนะตาบ้านก็ไม่ใช่ของเราเมืองก็ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่มันไม่ใช่มันจะไม่เป็นมันไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดมันมีจริญมันมีเสื่อมกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยมันยังกลายเป็นสร้างผลักหักพังไปได้ กุงเทพมันถึงเวลามันก็ต้องกลายเป็นสร้างความหลังพักไปทั้งวันหนึ่งถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเราก็จะไดะ้ใจของเราก็จะได้สงบในเมื่อเราทำอะไรไม่ได้เราไปวุ่นวายทำไมใช่ไมมันเป็นอนาตามันอยู่เหนือความสามารถของพวกเราเดอนจงกกนไปก็ให้พิจารณาอย่างนี้ไปถ้าพิจนารณาอนที่จังทุกข์ข่าวหน้าตาไม่เป็น พิจารณาสุภาษไม่เป็นพิจารณาอาการสามสองไม่เป็นดินน้านมไฟไม่เป็นก็พุทโธไปก่อนหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของเท้าไปก่อนก็ได้เพื่อดึงใจไว้ไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนี่คือเป้าหมายของการเจริญสติหรือเจริญปัญญาถ้าคิดไปทางสัมมาทิฏฐิก็เรียกว่าเป็นปัญญา คิดว่าเป็นอสุภะเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอันิจ้ทังทุกขังอนัตตาอันนี้เรียกว่าเจริญปัญญาถ้าพุโทโธพุโทโธไปดูลมไปดูเท่าไปนีย้ยเรียกว่าเจริญสติก็อยู่ที่ภูมิจิตภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติว่าสามารถจะเจริญทำบทไหนแบบไหนได้ก็เจริญไปตามบทของตนตามภูมิของตนเพราะผู้ปฏิบัติก็เป็นเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ชั้นต่างๆกัน บางท่านก็อยู่อนุบาลบางท่านก็อยู่ชั้นปฐมบางท่านก็อยู่ชั้นมัธยมบางท่านก็อยู่ชั้นอุดมศึกษาจึงไม่ได้มีวิธีใดวิธีหนึ่งที่ตายตัวสำหรับผู้ปฏิบัติต้องเป็นไปตามภูมิธรรมภูมิจิตของตนอีกข้อนึงครับอ่าอีกข้อหนึ่งนะครับ ถ้าอาจารย์ได้สอนด้วยว่าการปฏิบัติต้องเริ่มที่อนุบาลก็ถามว่าหลังจากอนุบาลแล้วไปไงต่อครับก็ปฐมเลยก็ปฐมมัธยมสติก็สมาธิสมาธิก็ปัญญาปัญญามันก็มีขั้นต่างๆปัญญาก็เพื่อมาแก้สังโยชนิตประการด้วยกันสังโยชน์สามข้อแรกก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตปรมากอันนี้ก็ แค่ด้วยการพิจารณาร่างกายนี่แหละเป็นหลักร่างกายขันห่าว่าไม่ใช่ตัวเราของเราว่าเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวทนาก็ไม่ใช่เราเป็นเวทนาเป็นเป็นของร่างกายไม่ใช่ของเรามันเกิดที่ร่างกายร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปเราไม่ได้เจ็บกับร่างกายเราคือใจ แยกใจออกจากร่างกายให้ไดป้ปล่อยวางร่างกายให้ได้ปล่อยวางความเจ็บความตายให้ได้ก็ก็จะละสักกายะทิฏฐิได้ละได้ก็จะเห็นธรรมว่าออความทุกข์ของเราเกิดจากการไปยึดติดไปอยากให้ร่างกายไม่ตายไม่เจ็บแต่พอพิจารณาด้วยปัญญาว่าร่างกายมันต้องตายต้องเจ็บแล้วก็ปล่อยมันได้มันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยมันได้จิตก็สงบ ก็เกิดนิโรธขึ้นมาคือความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็หายไปก็จะเห็นอริยสัจสี่ก็จะเห็นธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าพระพุทธเจ้ามีจริงทาสอนของพระพุทธเจ้านี้ปฏิบัติได้แล้วก็จะได้ผลจริงก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าเห็นธรรมก็คือผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเอง แล้วก็จะรู้เลยว่าความทุกข์ทั้งหมดนี้เกิดจากความอยากของเราเวลาชีวิตเราตกต่ำก็อยากจะให้มันไม่ตกต่ำอยากให้มันเจริญถ้าไม่รู้จักว่าวิธีแก้ความทุกข์ก็คือต้องยอมรับความจริงว่าชีวิตของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันเป็นผลของวิบากบ้างมันเป็นผลของของหลักธรรมดาคือหลักของการเสื่อมการเจริญของการเสื่อม ไม่มีใครไปไปยับยั้งไปแก้ไขได้ก็ไม่ต้องไปเสียเวลาทำพิธีอ่อ่สะดาะเคาะอะไรต่างๆที่เรียกว่ า, าศีลรัปธาปารมาไม่สบายใจก็ไปถ่ายโคถ่ายวัวปล่อยเป็ ด, ป ล, ป, ดปล่อยปลาปล่อยไก่ไปหาพระขอน้ำมนต์บ้างขอเครื่องรางของขังบ้างอะไรต่างๆอันนี้เป็นการเรียกว่ า, าศีลรัปธาปารมา คือไปติดในพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆซึ่งไม่ได้สามารถที่จะมาสะเดาะเคราะห์กรรมของเราได้มีอย่างเดียวที่เราทำได้ก็คือทาใจไปซื้อยาทาใจมากินเรียกว่าศีลละจรศีลพัฒนาปรามาสได้ผู้ที่ละสกายะทิฏฐิได้ก็จะไม่วางกังวลกับเรื่องความเจริญความเสื่อมของชีวิต หรือว่าในที่สุดมันก็ต้องตายไปรวมอย่างพวกที่ไปเปลี่ยนชื่ อ, อนั่นแนะทั้งนั้นไปห า, ป า, าหวงจุยเปลี่ยนทรงผม <c oughs> เปลี่ยนเสื้อผ้าย้อมสีผมจากสีดำมาเป็นสีแดงบ้างสีเขียวบ้างสุดแท้แต่ทำไปงานมันก็ดับความทุกข์ใจไม่ได้ดับปแก้ปัญหาไม่ได้อาจจะทำให้ใจสบายขึ้นแวบหนึ่ง เดี๋ยวพอกลับมาเจอของเก่าก็ไม่สบายใจเหมือนเดิมเจอปัญหาเก่าก็ไม่สบายใจเหมือนเดิมถ้าทำใจได้ก็จะไม่ก็จะสบายใจอจะจะเจ๊งก็จะเจ๊งจะจะหมดไปก็หมดไปจะเจ็บก็เจ็บไปหมอบอกรักษาไม่หายไม่หายก็อยู่กับมันไปอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ตายนี่คือผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมจะเห็นอย่างนี้ เห็นอนิจจังเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสังขารร่างกายเห็นอนัตตาว่าเราไปควบคุม บ, คบังคับร่างกายนี้ไม่ได้เพราะร่างกายนี้มันทำมาจากดินน้ำนมไฟดินน้ำนมไฟเป็นผู้กำหนดให้ร่างกายเป็นไปต่างๆนานาเวลานดินน้ำนมไฟมันไม่สามารถขี่กันมันก็เกิดโรคขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นความไม่สบายทางร่างกายขึ้นมา แต่ถ้าใจรู้ทันก็ใจก็ไม่ต้องทุกข์ไปกับความแปรปวนของร่างกายของดินน้ำหมุมไฟนี่ก็คือปัญญาทีละสัจกรารยะติติสามข้ออีกสองข้อก็คือการมาลาคะครับปฏิฆะก็คือยังมีการอารมณ์ยังชอบรูปสวยๆงามๆจอยรูปอย่างๆร่วมหลับนอนกับคนนั่นคนนี้ ก็ต้องพิจรารณากาลนอนนอนกับผีผีดิบมีโครงกระดูกมีตับไตไตปุงผีกระสือเห็นไนหะมมีมีกระเพาะมีลำไส้มีอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายที่ว่าสวยว่างาม น, นี้แต่ถูกปกปิดหุ้มห่อด้วยหนังบางๆนั่นเองต้องใช้ปัญญาละลายหนังนี้ให้มันกลายเป็นถุงพลาสติกไปให้มันใสเหมือนถุงพลาสติก ถ้าใช้ปัญญาแล้วต่อไปก็จะเห็นทะลุเข้าไปเห็นอาการสาสิบสองที่มีอยู่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังได้ถ้าเห็นแล้วก็จะไม่เกิดการมาลลมขึ้นมาก็จะนกรับการมรลคะละความหงุดหงิดปฏิฆะได้แล้วก็มีคำขั้นสูงต่อไปตามลําดับเอก็เอาแค่นี้ก่อนห้าข้อกันทําการบ้านห้าข้อนี้ให้ได้ก่อนค แล้วค่อยมารับการบ้านไปทำใหม่ครับมีมีมีคำถามจากทางเฟ e บุ o k นะครพระอาจารย์จากคุณปุ๊กนะครับกรบผมขอเรียนถามว่าการภาวนาพุโทโธกระผมพลังเผลอไม่ได้จดจอ่ออยู่กับคำภาวนาเนื่องจากมีความคิดมากกระทบบ่อยครั้งจะแค่จะแก้ไขอย่างไรดีต้องไปอยู่ที่หน้าตัว มันจะอยู่กับพูดโธตลอดเวลาถ้าอยู่ที่ปลอดภัยแล้วมันจะขี้เกียจพูดโทมันไม่มีอะไรที่จะต้องหาทหาเป็นที่พึ่งแต่เวลาไปอยู่ที่ใกล้ที่น่ากลัวเนี่ยเช่นเวลาเครื่องบินจะตกเนี่ยสวนมนกัน <c oughs> ไม่คิดเรื่อ ง, องนั้นเรื่องนี้เลยจะพูดโธกันอย่างเดียวดังนั้นต้องไปหาที่น่ากลัวอยู่ที่เป็นท้าทายต่อความเป็นความตาย เพราะทุตรงที่นั่นไปอยู่ตามป่าตามเขาตามป่าชานี่ก็เพื่อที่จะหาเหตุการณ์ที่มาบังคับให้เราต้องหาที่พึ่งทางใจกันอพอไปอยู่ที่หน้ากลัวแล้วมันจะไปนั่งเรื่อยเปื่อยคิดเรื่อยเปื่อยมันคิดไม่ออกนะมันมีแต่จะกลัวแล้วหรือถ้ากลัวมากๆมันก็จะจะเป็นบ้าเอาถ้าไม่ไม่หยุดความกลัวนั้นมันก็ต้องใช้สวดมนต์ท่องพุทโธไป อย่างในพระสูตรท่านก็แสดงไว้ว่าถ้าไปอยู่ที่น่ากลัวก็ให้เจริญบทพ่พุทธคุณท่องอิติปิโสไปหรือพุทโธพุทโธไปถ้าท่องแล้วยังไม่หายก็ให้ท่องบทธรรมะคุณต่อแ ล, ล้วถึงธรรมะคุณสวาขาโตถ้ายังไม่หายก็ให้นึกถึงสังฆคุณสุปฏิปันโนสวดไปสวดกลับไปกลับมาหรือพุทโธธรทรมโมสางโคไป พอจิตสงบแล้วความกลัวก็จะหายไปสิ่งที่เป็นภัยไม่ใช่สิ่งที่เราคิดที่อยู่ข้างนอกสิ่งที่ข้างนอกก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเราสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับใจของเราก็คือความกลัวที่เกิดจากอุปทานความายึดมั่นถือมั่นต่อตอนเองว่าผีมาแล้วสิ่งอันสิ่งอันอันที่เป็นอันตรายมาจะมาทําลายเราแล้ ว, ลวความจริงข้างนอกไม่มีอะไร นมพัดใบไม้พัดหน่อยก็คิดว่าผีมาแล้วหนูวิ่งบนเพดานก็คิดว่าผีมาแล้วเวลาอยู่คนเดียวนี่ความกลัวมันเกิดไม่เชื่อลองอยู่ตรงนี้ก็ได้เย็นๆอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่น่ากลัวตอนเย็นๆค่ำๆลามานั่งอยู่คนเดียว่เดี๋ยวผีมันมาหาเราแล้วตอนนี้ผีมันไม่กล้ามาหาเราเพราะพวกเราเยอะกว่า ข้อต่อไปนะครับการพิจารณากายอยู่เนือ ง, องสามารถปฏิบัติสลับไปมากับการภาวนาได้หรือไม่คาว่าภาวนาแปลว่าอะไรภาวนาก็คือการพิจารณาถ้าพิจารณาธรรมะก็เรียกว่าวิปัสนาภาวนาถ้าถ้าบริกรรมพุทธก็เรียกว่าสมถะภาวนานี่เราอยู่เราจะเอาอะไรการปฏิบัตินี่มันต้องสลับกันระหว่างสมถะกับวิปัสนา พราะถ้าวิปัสสนาไปอย่างเดียวมันก็จะหมดแรงเหมือนคนทำงานทำงานเสร็จแล้วก็ต้องกลับบ้านไปพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารอาบน้ำอาบท่าพอมีกําลังตื่นขึ้นมาก็ออกไปทํางานใหม่การจเจริญวิปัสสนาก็เหมือนกับการออกไปทํางานพิจารณาทางปัญญาไประ ย, ยะหนึ่งแล้วมันก็จะล้าจะเหนื่อยหรือกิเลสมันจะเริ่มออกมารบกวนมันก็ต้องหยุดกลับไปเข้าไปในสมาธิ ไบริกรรมพุทโธพุทโธทำใจให้สงบเพื่อจะได้มีพลังมีอุเบกขากลับคืนมาเพื่อไปฉีดยาสงบให้กับกิเลสดีๆนี่เองเหมือนกับหมอผ่าตัดหมอผ่าตัดนี่ต้องยมดมยาสลบคนไข้ไว้ตลอดเวลาไม่ให้คนไข้รู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่เดี๋ยวดิ้นดิ้นแล้วเดี๋ยวก็ผ่าไม่ได้เพราะฉะนั้น การจะทำงานจเจริญวิปัสสนาก็เป็นเหมือนการผ่าตัดเอากิเลสออกจากใจนี้ถ้าสมาธิมันหมดกำลังก็เหมือนยาสลรบหมดกำลังกิเลสเริ่มดิ้นล ะ, ะกิเลสใจเริ่มดิ้นละคนไข้เริ่มดิ้นละเจ็บเพราะเจ็บเวลาถอดถอนกิเลส น, นี่มันเจ็บแต่ถ้ามีสมาธิมันจะไม่ค่อยเจ็บมันมียาสำรบยาชาเห็นพอมันเริ่ม พิจารณาไม่เป็นเรื่องไปลแล้วไปจะออกไปทางกิเลสตัณหาแล้วก็ต้องหยุดแล้วก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่พักจิตก่อนพอเข้าสู่ขั้นวิปัสสนาแล้วสมถะกับวิปัสสนาจะผัดกันทางานนะจะไม่ทําอย่างใดอย่างหนึง่งแต่ตอนต้นตอนเริ่มต้นก่อนที่จะถึงวิปัสสนาจะมีแต่สมถะอย่างเดียวก่อนสติอย่างเดียวก่อนสติให้ใจสงบจเนั้นสติแล้วก็นั่งสมาธิให้สงบ ออกจากสมาธิก็จะลานสติต่อให้สติมีกำลังมากๆจนสามารถเข้าสมาธิได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วได้ทุกเวลาเมื่อมีสมาธิอย่างหนาแน่นแล้วทีนี้ก็ห้ออกไปทางปัญญาออกไปทางปัญญาเมื่อเกิดการเมื่อยล้าขึ้นมาก็หยุดแล้ว ก, กลับมาเข้ามาพักผ่อนในสมถะในสมาธิต่อสลับกันไปกเกเรตันหาก็จะหมดกาลังไปทีละตัวสองตัว แล้วก็หมดไปในที่สุดในในทางปฏิบัติขพระอาจารย์เราสามารถวิ่งเข้าหากิเลสเพื่อทดสอบตัว เ, เองได้หรือไม่ครับหรือว่าได้ดนเรื่อยๆให้กิเลสมาหาเองครับได้ก็ถือศีลแปดนี่ก็วิ่งเข้าหากิเลสแล้วเนี่ยไม่กินข้าวเย็นไม่ร่วมหลับนอนกับแฟนแล้วดูกิเลสมันจะออกมาเพ่นพ่านหรือเปล่าดูจะสู้มันได้หรือเปล่าการถือศีลแปดนี่ก็เป็นการวิ่งเข้าหากิเลสแล้ว การไปอยู่ตามป่าตามเขาห่างไกลจากแสงสีเสียงนี่ก็การวิ่งเข้าหากิเลสทั้งนั้นการอยู่กับความสุขรอบด้านนี่เป็นการวิ่งหนีการเล่นดนเวีแล้วก็บาทคั้งเพื่อนชนไปเที่ยวต่างประเทศก็เหมือนลองไปเปลี่ยนบรรยากาศที่มันผิดออกไปก็จะเห็นจิตได้ไง่ายขึ้นมาก หมายถึงไปเที่ยวต่างประเทศนะไม่มีทางหรอกะมันเที่ยวมันตั้งแต่เกิดจนวันกิเลสมันหลอกเราเลยอะไรวะจากเห็นกิเลกก็ต้องไปไปวิเวกแสงจะได้ดูมันออกฤทธิ์เวลาไปกับมันไปเที่ยวกับมันมันก็ไม่ออกฤทธิ์มันก็เป็นเด็กดีเรียบร้อยก็อย่างที่บอกว่าวิ่หน่ากิเลสเวลาอยากกินเล้าเราอย่าไปกินดูดูที่มันจะออกฤทธิ์ไหมดูมันจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ แต่ถ้าเวลามันอยากกินเหล้าก็หาเหล้ามาให้มันกินมันก็ไม่ทึกข์ไปเลยมันก็ไม่เห็นลทธของกิเลสมันต้องขัดใจกิเลสมันถึงจะเห็นลทธของมันทําตามมันมันก็มันก็ไม่แสดงลทธิ์เดชออกมาบางทก็อย่างเนี้ยครับราเราเราอยู่เป็นนิเวศเราพัฒนาจิตของเราไปแต่พออีกอารมณ์หนึ่งก็จะบอกว่าถ้าไม่ไปตอนนี้คงไม่ได้ไปแล้วนั่นก็คือกิเลสแล้วทํำไ้ทําให้ไม่คิดต่อไปแล้วไปแล้วกลับมาได้อะไร ไปเที่ยวมากี่รอบแล้วมันได้อะไรบ้างกิเลสตายไปบ้างหรือเปล่าได้ความสงบเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่ามันไม่ได้อะไรไมิแต่ได้กิเลสเพิ่มมากขึ้นได้ความอยากเพิ่มมากขึ้นไปรอบนี้ก็ยังจะไปเอ้ยยังยังมีเหลือเวลา อ, อ, อีกหน่อยไปต่ออยหน่อยรีบไปเดี๋ยวก็บ้าเป็นบ้าไปกับการไปเนี่ยไปจนกระทั่งมันไปไม่ไหวถึงจะหยุดเรืนะ่องเงินหมดมีสองอย่างพอไปไม่ได้ที่ต้องอยู่บ้านแล้วที่ก็หงดเหน็ดแล้วสิ เศร้าสร้อยเงอยบเหงาเสียจะทําใจให้สงบก็ทําไม่ได้ไม่มีกําลังสู้มันแล้วแต่ทุกครั้งที่อยากจะไปเที่ยวก็ไปไปปิกไม่เวกไปปีกไม่เวกกําลังที่จะทําใจให้สงบมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นแล้วความอยากจะไปเที่ยวก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปจนต่อไปเวลาร่างกายไปเที่ยวไม่ได้ก็จะไม่เดือดร้อนเนี่ยเราไม่มองไปตอนนั้นบ้างตอนนี้ก็ใช้วิธีเนี้ค่ะว่า วันสิบเก้าวันเพื่อนชวนไปดูว่าไปได้แต่เสร็จแล้วก็ลิด่นเลยที่ข้เอานเราเราเอ า, เอาเงินที่จะไปเที่ยวสิบเก้าวันนี้มาบอยจากทำบุญทำทานไปเลยจะได้ตัดไอตัดไอตัวที่จะมาเป็นสะพานเชื่อมให้เราไปเที่ยวทำทาทานได้ยิ่งมีความสุขใหญ่มีความอิ่มเอิบใจความอยากไปเที่ยวก็น้อยลงไปอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อน แต่ถ้ายังมีเงินเหลืออยู่นี่เหลยอมันก็จะมาล่อเราอยู่เลยเอ๊ะจะทําเงินให้เงินยังจะทํายังมีอยู่จะทําไงดี <c oughs> ถ้ามีเงินอยู่ถึงบอกพระเจ้าบ อ, บอกให้เอาไปทำทานนะอย่าให้มันมาล่อจิตล่อใจเราเราจะได้ประโยชน์สองต่อคือตัดปัญหาตัวที่จะมาร่อใจสองได้ความอิ่มใจความสุขใจทําให้ความอยากเที่ยวลดน้อยลงไปความอยากชื้นของฟุ่มเฟือยลดน้อยลงไป ถ้ายังมีเงินอยู่เดี๋ยวก็ต้องหาเรื่องซื้อให้กระเป๋าใบนี้มันสวยเสื้อชุดนี้รองเท้าคู่นี้ก็ซื้อมาแล้วมันได้เลยมันก็เป็นวัตถุอีกช่้นหนึ่งามาตั้งวางไว้เฉยๆ น, นั่นเอไม่มีความรู้สึกต่อจิตใจไม่มีความอิ่มอบใจไม่มีความโลภน้อยลงไปความมีความโลภเพิ่มมากขึ้นเองแต่ถ้าเอาไปทําทานรับรองได้ความอิ่มใจเกิดขึ้นความอยากได้ของต่างๆจะน้อยลงไป มีเงินทลาดที่จะมาเป็นตัวปัญหาก็เอาไปทําบุญะทำแบบไหนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลทำกับ้องเรียนทํากับวัดทํากับว่าทําอะไรก็ได้ขอให้มันหมดไปจากเราขอให้เรายกมันไปไม่ไปหวังพึ่งมันพึ่งมันแล้วมันไม่พอใช้หรอกใช้เงินหมดเดี๋ยวก็ต้องหาเงินใหม่มามาใช้ต่ออะมีคําถามหร้อเปล่มีครับท่าน จะกลับแล้วเหรออ่าอ่าใช่อ่าได้ตามสบายมีคําถามครับถามทางคุณอย่นะครับพระอาจารย์คนสมัยเนี้ยมักจะคิดว่าไม่มีคนถา้าไม่มีเงินเนี้ยก็จะไม่มีเงินไปทําบุญพระอาจารย์แม่ตาสอนคนที่ไม่ค่อยมีเงินแต่แต่แต่อยากทาบุญเลยครับอาจารย์ไม่คนทําบุญนี่ก็ให้คนที่มีทํา คนที่ไม่มีนี่ก็ไม่ต้องทําให้ทําบุญคั่นต่อไปได้เลยเพราะว่าเราไม่มีอุปสรรคแล้วอแต่ถ้าเราไม่มีเงินแต่เรายังอยากจะได้เงินอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาอยู่เราต้องไม่อยากได้เงินก็อยากถ้าอยากจะได้เงินก็ได้เพื่อมาคลองชีพก็พอเอามาใช้กับสิ่งที่จําเป็นแต่ไม่อยากจะได้ เพื่อให้ร่าให้รวยเพื่อจะได้ไปซื้อข้าวของเงินทองของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือเอาไปทําบุญอันนี้เป็นกิเลสละการอยากทําบุญแบบนี้เป็นกิเลสการทําบุญนี้หมายถึงเป็นปัญหาของคนที่มีเงินมากเกินไปแล้วมันเป็นปัญหากับจิตใจมันมายั่วยวนกวนใจนลอ่อล่อลวงกิเลสให้ออกมาเพ่นพ่านพอไม่มีเงินใช้กิเลส ที่อยากจะซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าซื้อเสื้อผ้าไปเที่ยวมันก็จะไม่มีเพราะมีมันก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีเงินนี่คือเหตุของการให้ทำทานเพื่อจะได้ตัดสะพานทางเดินของกิเลสตัณหาออกไปในเมื่อเราไม่มีทางเดินของกิเลสตัณหาแล้วเราไม่มีเงินที่จะไปเที่ยวไม่มีเงินที่จะไปไปซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆเราก็จะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันได้ ถ้าอยากจะได้บุญเยอะๆก็เมื่อไม่มีเงินที่จะทําบุญก็มานั่งสมาธิกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิมารักษาศิ้นแปดกันเนี่ยคนที่ไม่มีเงินต้องรักษาสิ้นแปดใช้เงินน้อยลงกินข้าวมื้อเดียวออถ้ามีเงินมากก็จะกินสามมื้อเนี่ถ้ามีเงินน้อยก็ต้องกินมื้อเดียวก็รักษาสิ้นแปดได้อย่างสบายเพราะความจําเป็นมันบังคับเพราะไม่มีเงินกินสามือ้อ คำ ถ, ถามข้อต่อไปนะครับจากคุณกสิทพัฒน์นะครับพระ บ, บวชใหม่ต้องอยู่กับอุปชาห้าพรรษาหมายความว่าในห้าพรรษานี้ไม่สามารถไปจำพรรษากับอุปชาท่านอื่นได้ใช่ไหมถ้าอุปชาอนุญาตก็ไปได้ถ้าท่านเห็นว่าผู้ที่จะไปอยู่ด้วยนั้นมีคุณธรรมมีความรู้ความสามารถเท่ากับท่านหรือดีกว่าท่าน ท่านก็จะอนุญาตให้ไปอยู่ได้แต่ต้องอยู่กับครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเหมือนเด็กที่เพิ่งคลอดมาจะต้องมีพี่เลี้ยงถ้าไม่พ่อแม่ก็ต้องมีผู้ประถมผู้อื่นมาเลี้ยงดูมาสอนเด็กให้รู้จักวิธีการดำรงชีวิตต่างๆให้ถูกต้องเพราะผู้ที่มาบวชใหม่นี้ไม่ได้เป็นพระทันทีนเะพียงแต่เป็นผู้ห่มเลี้ยงโกนศรีรษะเท่านั้นเอง แต่ความรู้สึกนกคิดนี้ยังเป็นคาราวะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตถ้าปล่อยให้อยู่คนเดียวทำไปตามความรู้สึกนกคิดก็จะทำไปแบบคารวาะแล้วก็จะเกิดผลเสียหายตามมาต่อไปอย่างที่เราเห็นกันอยู่เรื่อยๆในบรรดาพระที่ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์แล้วไปตั้งสำนักอยู่เป็นเจ้าสำนักเองอยู่ไปแล้วก็ไปปฏิบัติผิดธรรมผิดวินัยจนในที่สุดก็กลับมา ลงโทษตนเองเป็นพิษเป็นภัยกับตนเองก็เพราะว่าไม่ได้อยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักวิธีการดำรงชีวิตของของนักบวชนั่นเองพระอุตตเจ้าจึงต้องบัญญัติข้อนี้ไว้ว่าจะต้องอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างน้อย 5, ห้าพรรษาก่อนถ้าอุปชาไม่สามารถสั่งสอนได้มีไม่มีความสามารถหรือไม่มีเวลา ก็ต้องมอบหมายให้กับพระอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการดูแลสั่งสอนอบรมอย่างเราพอบวชเราก็บวชที่วัดบวรบวชกับสมเด็จพระยานรสารวรสมเด็จพระสังฆราชบวชไดห้หกอาทิตย์ก็ขออนุญาตว่าจะไปขอศึกษาอยู่กับหลวงตามหมาบวททางการอนุญาต แต่ต้องบอกกันว่าจะไปอยู่กับใครไม่ใช่ว่าผมขอลาท่านไปแล้วผมก็จะไปสแสวงหาตามภาษีภาษาของผมนี้อย่างนี้ไปไม่ได้ไปแล้วเดี๋ยวเกิดไปอยู่กับใครก็ไม่รู้เกิดไปอยู่กับอาจารย์ที่เห็นผิดมีมิจฉาทิฏฐิเดี๋ยวก็จะสอนให้เห็นผิดไปได้ทำให้เป็นภัยอันตรายกับตนเองต่อไปได้เห็นต้อุบะชาถา ถ้าถ้าไม่รู้จักครูบาอาจารย์ที่เราจะไปขออยู่ด้วยท่านก็จะไม่ให้ไปอย่างตอนต้นเราก็ไปติดต่อกับพ่ะครูบัวเกตที่วัดช่องลมเพราะเป็นวัดใกล้บ้านไปปรึกษากับท่านว่าอยากจะบวชแต่อยากจะบวชเพื่อปฏิบัติท่านก็บอกว่าถ้าบวชกับท่านนี้ต้องอยู่กับท่านห้าพรรษาแต่ว่าของท่านไม่ใช่เป็นวัดปฏิบัติเป็นวัดสวดมีเมนเอมีการฉันเพลเอ ถ้าอยากจะบวชแล้วไปปฏิบัตินี่ท่านแนะนําว่าสมเด็จพระญาณสังวรที่วัดบวรนี่ท่านเมตตารับบวชเพราะมีชาวต่างประเทศที่ไปบวชที่วัดบวรกับท่านเสร็จแล้วก็ขออนุญาตไปศึกษาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์ที่เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นที่อยู่ทางภาคดีสารเช่นสมัยนั้นก็มีหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั้านหลวงปู่เทศหลวงปู่ดังๆทั้งหลาย น้องตามาบัวน้องปู่ชาเราก็เลยต้องไปที่วัดตวนแล้วก็ได้ไปบวชที่นั่นบวชเสร็จหลังจากหบจีวอนเป็นบินทบาทเป็นรูน้จากดูแลรักษาอาัถรบริขารก็ขออนุญาตท่านไปศึกษาอยู่กับน้องตามาบัว ไปแล้วก็ไม่เคยกลับมาหาท่านเลยจนมาอยู่ที่วัดยานนี้ถึงจะมาพบท่านท่านก็จำไม่ได้ท่านก็ถามว่าใครบวชท่าสวัสดีพระเลขาที่ท่านนั่งอยู่ด้วยท่านบอกว่าพ่อองค์ท่านแหละ <rac use> พระเลขาท่านเป็นพี่เลี้ยงตอนที่เราบวช ดันั้นต้องมีครูบาอาจารย์เหมือนเด็กเกิดใหม่เน่ะไม่มีพ่อมีแม่จะสั่งสอนอบรมเดี๋ยวก็ทำอะไรไปตามภาษีภาษามันก็เกิดพิษเป็ น, ปนพิษเป็นภัยอันตรายกับตนเองแต่พ้าสมัยนี้ทั้งอุปชาทั้งผู้บวชก็ไม่สนใจเรื่องนี้แล้วบวดเสร็จก็จบแล้วตัวใครตัวมันสมัยนี้ก็ถึงมีคำเรียกว่าอุปชาเป็ดเป็นมันไม่ฟักไข่ใช่ไ พอพอคอดพอขายออกมาก็ทิ้งเลยพอบวชเสร็จออกจากบวชก็ตัวใครตัวมันละไม่มีการอบรมสั่งสอนไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนอาจายอย่างเช่นทําสมถธิแล้วเราเปลี่ยนฐานจิตนขะขนาดที่ทําคนอยู่จุดเดียวอย่าไปเปลี่ยนริ้งว่าว่าก็ลุกขึ้นมาเดินอดข้าวว่างกันนะถือศีลแปด ไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็ไม่แน่งอนเลยมันต้องอยู่จุดเดียวเหมือนนั่งแล้วต้องไม่ขยับคันตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็ไม่ขยับขยับมันก็เปลี่ยนมันก็เปมันมันก็ไปทําลายสมาธิความตั้งมั่นของจิตแล้วต้องไปเริ่มต้นใหม่เวลานั่งตอนหาจุดได้จุดหนึ่งแล้วก็อยู่กับมันไป ข้อหนึ่งที่เขาถามคระัะอาจารย์อยากศึกษาพระวินัยของพระศีลและข้อวัดปฏิบัติจะปฏิบัติจะศึกษาจากที่ไหนในพระไตรปิฎกก็มีในอินเทอร์เน็ตก็มีเขียนคําว่าวินัยปิฎกมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วหรือว่าถ้าจะอ่านหนังสือที่เขาคัดมาจากพระไตรปิฎกก็มีหลักสูตรนักธรรมตีโทเองอันนี้ก็จะมีพระวินัย มีพระพุทธประวัติมีอะไรให้อ่านได้เป็นหนังสือเล่มเดียวอ่านง่ายกว่าอ่านจากพระไตรปิฎกก็ไปติดต่อตามวัดต่างๆได้วัดต่างๆจะต้องมีหนังสือหลักสูตรของนักธรรมตีโทเองหือปีนี้ก็สอบเป็นสี่พันกว่าคะานนสอบคือเดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยนไงเมื่อก่อนนี้พวกที่ พระที่บวชในจำพรรษานี่เขาจะไปสอบแต่เขาเรียกว่าสนามซ้อมคือเป็นสนามยังไม่ใช่เป็นสนามจริงนี่พอถึงวเวลาจะสอบสนามจริงนี่พระที่บวชน่สึกกันไปหมดแนละ้วคนไปบวชสนามจริงก็เหลืมีแค่สิบเปอร์ซ็นของจำนวนผู้ที่บวชคนไปบวชคนไปสอบยังมีน้อยสมัยนี้เขาก็เลยเอาสนามซ้อมเป็นสนามจริงไปเลย สอบสอบกันก่อนที่จะออกออกพรรษาพอออกพรรษาแล้วเขาต้องเดี๋ยวนี้โลกมันนัดตัวเศรษฐกิจมันรัดตัวเวลามันน้อยอลางานได้เพียงร้อยยี่สิบวันอยู่รออยู่รอไม่ได้ไม่ทันทางทางศาสนาก็เลยเอาสนามสอบเป็นสนามสนามสอบเป็นสนาม ส, ามสอบจริงไปเลยจึงมี ยังมีผู้สอบกันเยอะไงเมื่อก่อนมีน้อยมีแค่สิบเปอร์เซ็นอย่างนี้มีร้อยเปอร์เซ็นตเมื่อก่อนจะมีแค่สี่ร้อยย่นี้มีสี่พันเพราะว่าผู้ที่บวชในภาษาอนี้สอบกันทุกคนมิว่าไหมคุท่านเทศเมตตาต้นเทบอกว่าการบริวารเป็นเรื่องของเราคนเดียวเรื่องพ่อเรือแม่เป็นส่วนที่ไม่ เพื่อไม่ควรไปเจอกันแล้วแคม่มันเขาจะมัความผิวที่มันมีนเลยจะค่ะอ๋อนี่เรื่องของคนที่เขาปฏิบัติเต็มน้อยแล้วออกบวชแล้วเหมนพระพุทธเจ้านี่ไปแล้วไม่ไม่ห่วงบ้านห่วงเมืองแล้วอหกปีไม่เคยกลับไปในวังเลยอยู่ตามป่าตามเขาบําเพ็ญไม่ติดต่อกับใครทั้งนั้นจนบรรลุตัดสัุ้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วจึงรับนิมนต์กลับไปโปรดในวังต่อไป พวกเรายังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกพวกเราเป็นยงพวกพวกเหยียบเหยียบเดือสองแคมอยู่พูย ก, กันคนละเรื่องกันพวกเรายังห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องได้กลัวไม่ห่วงใช่กลัวจะไปห่วงเที่ยวห่วงกินมากกว่าพอจะมาบวชพอมาจะมาปฏิบัติหนก็ห่วงขึ้นมาทันทีเลย<า>เวลาไปเที่ยวไม่ห่วงเลย ใช่ไหมพอมาอยู่วัดสามวันเจ็ดวันนี้เริ่มห่วงอะไขึ้นมาทันทีนะ แ, <g ib ling> <s> แต่เวลาไปเที่ยวมองนอกสามวันเจ็ดวันนี้ไม่เคยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เลย <c oughs> ใช่มันพยายามที่จะสะกัดกั้นทางเดินของเรา <c oughs> ถ้าไปทางกิเลสนี้มันจะไม่แย้งเลย <c oughs> ถ้าไปทางสวนทางกับมันนี่มันจะหาเรื่องทันทีผ่านทันที ห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงลูกห่วงหลานอย่งนี้เออท่าใจครับคำว่านิมนต์นี่ขยายความไปก็หลุดพ้นจากความทุกข์ไงหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาไม่มีความโลภความโกรธความหลงเอไม่มีความอยากต่างๆหลงเ ห, หลืออยู่ภายในจิตใจจิตไม่ได้เป็นธาตุไง ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นเจ้านายเราเป็นที่เราเป็นทาตอยู่ขณะนี้ก็คือความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆนี่มันคอยสั่งเราใช่ไหมเฮ้ยไปเอานั่นมาสิไปเอานี่มาสิไปเที่ยวสิไปแล้วไปเอาเหล้ามาดื่มไปแล้วไปดูหนังไปแล้วไปหาแฟนไปแล้วเนี่ยมันสั่งเราตลอดเวลาเราเป็นทาตของมันตลอดเวลาพอเราปฏิบัติวิมุติแล้วดุดพ้นแล้วไม่มีใครมาสั่งแล้ว อยู่เฉยๆสบายไม่มีใครมาสั่งให้ไปเอาอนุน้อนี่มาพระพระที่มีชื่อเสียงครับพระอาจารย์แต่ว่ามีชื่อเสียงทางด้านฤทธิ์เนี่ยสอนให้เห็นนรกสวรรค์นเนี่ยมันเป็นแนวทางอย่างไรครับพระอาจารย์มันไม่เป็นแนวทางสู่การดับทุกข์เนี่ยทุกข์จะดับได้ต่อเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอริยสัจสี เห็นอย่างอื่นก็จะทำให้เกิดกิเลสตันหาขึ้นมาได้เห็นสวรรค์ก็อยากจะไปสวรรค์เห็นนรกก็ก็กลัวก็อยากจะหนีแต่บางทีมันอยู่ในนรกมันก็หนีไม่ได้เพราะทำบาปมาเพราะเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ตามมาเห็นั้นต้องต้องไม่เห็นอะไรเห็นแต่ความว่างก็เป็นจิตก็จะเป็นอุบเบกขา เราใต้เห็นนนิจังทุกขังหน้าตาก็จะหยุดความอยากได้เป็ความดยากได้ก็จะหลุดพ้นจากการเป็นธาตของความอยากเรียกว่าหุดพ้นเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์เพราะความอยากนี้เป็นเหมือนฟืนเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟถ้าไม่ถ้าไฟไม่มีฟืนมันก็ไฟก็จะต้องดับไปถ้าเราเติมฟืนเข้าไปในกองไฟมันอยู่เรื่อยไฟมันก็จะลุกไปเรื่อยความทุกข์ของเราก็เป็นเหมือนไฟ เชื้อของไฟก็ฝืนก็คือความอยากนี่เองด้วเราต้อง ถ, ถอดถอนความอยากไม่ใช่ไม่ใช่เติมฟืนเข้าไปในกองไฟเติมความอยากเข้าไปในกองทุกข์มีเพื่อนนะค่ะองเขาเ <c oughs> ป็นป่วยหนักเป็นอะไรองก็มันก็ไปตรวจกับผู้รู้แล้วก็ไปตรวจว่ามีเคยไปทําอะไรให้กับ ใช่ปามที่แล้วแล้วก็ขณะนี้คนที่เข้าไปทํากรรมด้วยเนี่ยก็อยู่ที่นั่นที่นี่ <c oughs> ไม่มีกรรมก็ตายเหมือนกันอย่าไปกังวลเลยยิ่งมีกรรมมันก็ยิ่งตายเร็วเท่านั้นเนี่ยไอ้ที่จะไปแก้กรรมมันไม่มีหรอกที่ไปขอโหติกันอะไรก็ไม่มีหรอกพระพุทธเจ้ายัางตายเลยครัอราจารย์ั้งตายร่างกายเป็นธรรมดาจะมีกรรมไม่มีกรรมมันก็ตายเหมือนกันตายช า, าตายเร็ว ก็รักษาได้ก็รักษาไปแต่นี่เป็นเรื่องสีลับพัฏาะปรามาทั้งนั้นแหละเรื่องของงมงายทั้งนั้นกรรมเป็นสิ่งที่เราแก้ไม่ได้มันเป็นอนัตตาวิบากมันเป็นอนัตตามันมีเหตุมีผลของมันเราไปสร้างเหตุมันก็เกิดผลตามาเนี่ยคืที่น่าตกใจก็คือเขาปฏิบัติมาตลอดก็นั่นแหละยังประดับไม่ถึงแก่นไงยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมอยังไม่เห็นอริยสัจสี ยังไม่เห็นว่าความทุกแท้จริงเกิดจากความอยากเอ อ, อยากจะให้หายแล้วใครมาว่าอะไรก็เชื่อกันไปหมดนะเห็นไห ม, มเขาพูดจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้หล่ะเชื่อไปก่อนถ้าตามได้มันมีโอกาสที่จะทําให้หายได้ก็เชื่อเขาไว้ก่อนแล้ว้วพระพระเขาไปทางนี้เยอะเหมือนกันทั้งทั้งนั้นแหละทั้งพระทั้งโยมถ้าไม่มีสัมมาทิฐิมันก็ไปทางเดียวกันทั้งนั้นแหละไปทางมิจฉาทิฐิทั้งนั้น เพราะไม่ปฏิบัติกันไงี่านั้นแหละถ้าปฏิบัติแล้วมันจะไม่หลงทางอันจะล้งไปเยอะเลยนะด้ไหมที่ว่าสมควรนะขอให้ปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด <c oughs> อาชานเขิาม า, มาข้าขาดทีเ้าได้ได้ต้องการละหยิบได้ ไ ด, ได้ <Lost S 2> ได้ได้่มาที่ไก็ได้ไรอช่ง <cor> ั้นสิ่ี่